โอกาสหลวงพระกลมเพื่อนสมัญที่ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะเมื่อสักสองสองวันก่อนก็พวกเราต่วนใหญ่ก็ได้ไปงานงานศพนะคืองานชาบนิกรกิจศพงานเผาศพของชาวบ้านเนาะ <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสไปดูดูศ พ, พนะคือก่อนจะตายนี่ก็ก็ให้ไปดูก่อนใช่ไหมพระก็ให้ไปอน้ำมะพร้าวเนาะไปล้างหน้าต่างๆเหล่านี้นะเราก็ได้ดูดูหน้าศพกันอ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสไปดูศพก็หน้าตานะก็ะเหมือนกับคนนอนหลับก็นะคือเด๋ยนนี้มันมีมีเป็นเป็นตู้เย็นเป็น ตู้เ้าเรียกว่าตู้อืมตู้เย็นนะอะไปแช่ไว้นะอ่ามันมันก็เลยไม่เหี่ยวแห้งมากนะก็ดูอะไรก็ยังสดสดอยู่นเะหมือนกับคนเรานอนหลับนี่แหละครันะ้ น, นี้ถ้าโดนเผาจริงๆนะถ้าดูได้ดูตอนเผาเนี่ยก็มีประโยชน์เยอะใช่ไหมได้ดนะูว่าเวลาเผาเป็นอย่างไรนะร่างกายคนเรานะจากที่เหมือนกับว่าคนนอนหลับนะแล้วก็โดนเผาไปนะก็จะได้ดู มันเหมือนกับเราก็ได้เกิดอสุภะนะขึ้นมาในใจเรานะจากคนที่ถ้าคนรู้จักกันนะเออมื่อก่อนสัก2องสวันก่อนเขาก็เหมือนกับคนปกตินี้ใช่ไหมพูดจาได้เดินไปเดินมาได้ทำเสียงต่างได้เนาะแต่พอหลังจากนั้นแป๊บเดียวตายแป๊บเนี่ยตัวก็เริ่มเย็นแล้วฮนะเริ่มเย็นนะเริ่มเย็นนะตัวเริ่มแข็งอันนี้เคยประสบของจริงนะเคยประสบคนตา ย, ยจริงๆเลยนะ ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวเริ่มเย็นคือมันมันเย็นจากคือคนเรามันมีมีธาตุไฟอยู่นะธาตุไฟเนี่ยนะเนี่ยถ้าคนเป็นๆจะมีธาตุไฟทุกคนเพราะฉะนั้นตัวเราจะอุ่นตัวเราไม่เย็นหรอกตัวเรยจะอุ่นนะแต่เมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยตัวจะเริ่มเย็นเขาเรียกว่าธาตุไฟแตกเพราะธาตุไฟแตกตัวจะเริ่มเย็นเย็นไปเรื่อยๆแล้วตัวก็จะเริ่มแข็งนะเริ่มแข็ง มือไม้เริ่มแข็งแล้วนะเริ่มแข็งนะแล้วก็หลังอ่ามีจะมีเลือดตกข้างหลังนะข้างหลังเนี่ยเลือดจะไปคังอยู่ข้างหลังเนาะคราวนี้มันตัวก็เริ่มมีกลิ่นหื่นๆนะถ้าอยู่ ใ, ใกล้ใ ไ, ได้กลิ่นหื่นขึ้นมาแล้วนะอ่าวันแรกก็คล้ายๆวันนั้นแต่ถ้าไม่มีการไปฉีดฟอร์มารีนนะวันที่2เริ่มมีอาการละเริ่มนะเริ่มตึงนะผิวหนังเริ่มตึงอ่าตึงมาก หลังนั้นก็ค่อยๆปรีนะค่อยๆปรีขึ้นมาเนาะปรีขึ้นมาแล้วหลังนั้นก็ผิวเริ่มแตกหลังนั้นน้ำเลืองก็ค่อยๆเยอะออกมาคุณเยอะมาเ ร, มะเรื่อยๆ เ, เนาะหลังนั้นข้างในก็เริ่มบวมบวมหน้าตาบวมลิ้นก็เริ่มใหญ่นะปากลิ้นก็เริ่มขับขึ้นมาตากระโปนขึ้นมาหน้าอ้วนมาเรื่อยๆแล้วนะตัวก็อ้วนขึ้นมาเรื่อยๆนะร่งะ า, ารงกายส่วนต่างๆก็เริ่มปรีออกมาปรีออกมา บางทีก็แตกปุ๊บนะแมงวันมาตอมไม่นานเนี่ยกลายเป็นนอนนอนก็ชข้างในใหญ่เลยนะตับไตไส้พุงเนี่ยเริ่มเจาะชัข้างในนอนก็เริ่มกินขึ้นมาเรื่อยๆตัวก็เริ่มเป๊ะเริ่มเน่าตอนนี้กินเริ่มเหม็นแล้วน ะ, ะตับไตไส้พุงข้างในเ ร, เริ่มค่อยๆออกมาข้างนอกแล้วนะนอนก็กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะบางทีถ้าไม่มีใครไปดูน ะ, ะแค่สามสี่วันเนี่ย ตัวเนี่ยโดนนอนกินไปเยอะเลยนะนอนเนี่ยมันมันจะกินกินแล้วมันก็หลังนั้นถ้าไม่มีใครไปดูนะอีกสี่ห้าวันเนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะแต่มันก็เหม็นมากมันเหม็นมากแต่มันก็ค่อยๆแห้งแล้วนะมันค่อยๆแห้งแล้วตัวก็เริ่มจะยุบยุบลงมาแล้วนะยุบมาเรื่อยๆตัวค่อยๆแห้งลงเจ็ดวันนี้มันก็เหม็นมากนะแต่ตัวมันเริ่มแห้งแล้วนะมันก็ค่อยๆเคี้ยวแห้งไปเรื่อยๆนะ นะตอนนี้ผิวหนังต่างๆก็อืดําดำดำไปเลยคลํานะดําแห้งติดตัวอืมนอนต่างๆก็เยอะว่าเกลืนะมันก็กินหมดทั้งตัวเลยครับเนี่ยตาเนี่ยโอ้ยนอนชอนชัยตามจมูกตามปากเนี่ยนอนทั้งนั้นนะมันกินชอบกินตามากตาเนี่ยหลุดมาโดนนอนกินหมดลิ้นโดนกินหมดอืมเส้นเลือดเส้นน้ําเหลือ ง, งต่างๆนอนกินมาทั้งตัวนะผิวหนังเริ่มยะ Affiliated. หลุดหลุดไปแล้วเริ okay. being, <Yeah. S 1> Alpha, psycho, ่มแห็งกระดูกแล้วนะเริ่มเห็นกระดูกกระดูกก็ขาวโพนโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาเรื่อยๆกระดูกก็ค่อยๆโผล่มาเรื่อยๆหนังก็ค่อยๆหลุดไปเรื่อยๆตอนจะมีมีเส้นเอ็นยึดอยู่นะเส้นเอ็นก็ยังยึดอยู่ก็ยังเป็นคงกระดูกอยู่แต่พอผ่านไปสักหลายวันแล้ว10บกว่าวันแล้วเส้นเอนเริ่มหมดสภาพแล้วคราวนี้กระดูกเริ่มหลุดนะเป็นท่อนๆท่อนๆเริ่มหลุดมาแล้วนะเริ่มหลุดมาเรื่อยๆ หนังผิวหนัง wow ก็เริ่มเสื่อมค่อยๆหดหายไปหดหายไปอตอนนี้มันก็เหม็นความเหม็นก็ลดน้อยลงนะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆนะพอนานๆหลังนั้นถ้าไม่มีใครไปเจอนะกระดูกก็ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆกระดูกก็ค่อยๆแตกเปลี่งมาเรื่อยๆนะโดนแดดมากโดนฝนมางโดนกระดูกก็แตกไปเรื่อยๆต่อหลังก็ค่อยๆจางไปนะกลายเป็นผงไปนะกลายเป็นผงไปนะ ทหารถ้าไม่มีใครไปเจอนะภายไม่ไม่นานไม่กี่เดือนก็เริ่มกลายเป็นผงน ะ, ะเป็นผงมากขึเรื่อยๆนะแต่ส่วนที่แข็งก็ยังอยู่แต่ส่วนอ่อนๆกลายผงไปนะอันเนี้ยบางทีลังแล้วเจอแล้วก็ไม่รู้เป็นใครนะไม่รู้เป็นใครแต่สมัยนี้ก็มีตัว DNA นะเะเขาก็สามารถกระดูกมาตรวจได้เออเป็นของใครเจอผิวหนังมาตรวจได้เป็นของใครถ้ามี DNA ของคนที่ตายไปแล้วใช่มีเส้นผม นะอันมาตรวจดีเได้นะหรือมีเล็บนะก็มาตรวจดีเได้เหมือนกันหรือเปล่าเนาะหรือถ้าเคยเบริจากเลือดต่างๆหรือไม่ีเลือดอยู่เนี่ยสา ม, มารถตรวจดีเได้หมดเลยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนาะคนะือผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งสา ม, มารถตรวจดีเได้หมดเลยถ้าตรงก็ได้ก็ยืนยันโอ้ศพนี้เป็นคนนี้แน่นอนนะนะแต่ถ้าไม่นั้นไม่ไม่เจอเนี่ยจะไม่รู้เป็นใครสมัยก่อนไม่รู้เป็นใครแน่นอนนะไม่มีตัวดีเนี่หาไม่เจอเป็นคราบเป็นใคร จะไม่รู้เลยว่าเป็นใครเนาะออันนี้คือคนเรานะี่ยมันตายก็ใครครแบบนี้เนาะมันก็เสื่อมลงไปเสื่อมลงไปถ้าเราเห็นแล้วไปได้ป่งนิดจังโอ้เมื่อก่อนนะ่าก็เป็นคนเราร่างกายสมบูรณ์นี่แหละแต่ตายแล้วมันก็ค่อยเสื่อมค่อยค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆนะมันก็แสดงให้เห็นว่าเออมันก็กลายเป็นดินนับลมไฟไปนะมันเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่มันมี คือสมัยก่อนนี้เขาจะไม่ได้มีเมนเผาศพแบบนี้นะเขาก็มีเป็นแบบน้ามันจะมีที่ไว้ศพนะเป็นที่ไว้ศพเป็นศาลาไว้ศพนี่แหละเวลาเผาก็เผ า, าคล้ายๆอ่ที่เผากันตรงนี้ยอืคือมันอคล้ายๆอ่ที่เราเผากันตรงนี้นะเป็นเป็นเมนเลยลอยอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเชิญกรนะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเป็นเชิากรหรอกมันก็เอาไม้มาต่อๆเท่านั้นเอง ให้พอยกศพตั้งได้แล้วก็ไปหาเศษไม้แถวๆนั้นอหรือมีต้นไม้ใหญ่ก็เอาเอาเอาเอามาตัดก็มีนะมาเป็นท่อนๆมาทําเป็นปืนะอืมฐานก็ไม่เคยมีต้องไปหาเศษไม้แถวนั้นมาแล้วก็เอาม้อยไม้ที่เป็นท่อนใหญ่นะมาไว้ข้างบนแล้วก็แล้วก็ศพไว้ข้างบนเลยนะมันไม่ไม่มีโลงสมัยก่อนไม่มีโลงนะอย่างมากก็มีแค่เสือก็เป็นเสืออ่าเสือโกะหรือไม่ก็เสือ เสือที่เป็นธรรมชาติไม่มีเสือพลาสติกนะไว้รองไว้แล้วก็ศพวางไว้บนเสือนั่นแหละแล้วก็ไม้ท่อนๆวางบน น, น, นั้นทีนึงแล้วก็เผากันตรงนั้นเลยนะคราวนี้พระสมัยก่อนก็ไปคอยดูการเผาศพนะถือว่าเป็นกรรมฐานเลยพระกรรมฐานสมัยก่อนก็ไม่คอยดูการเผาศพเขาก็มีวิธีดูนะต้องดูต้องอยู่เหนือลมนะอย่าไปอยู่ ใ, นในต้ลมอนะไรต่างๆเราเนี่ยแล้วก็เผากันสดๆเลยนะ นะก็ได้ดูของจริงนะสมัยก่อนพระนี่จะชอบมากบางทีจะไปอยู่ตามป่าช้ากันนะอยู่ป่าป่าช้ากันเพื่อจะไปคอยดูเผาศพอืจะได้ปงองสุภกรรมฐานได้เห็นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนะโอ้คนเราตายไปแล้วก็เป็นแบบ น, นี่นะพอโดนเผาแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่นั้นเองนะมันก็เห็นสภาพจริงๆโอ้โดนเผานะมันจะเห็นทุกอย่างนะมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ว่า จะได้ปรงสุภาได้น ะ, ะเพราะพระสมัยก่อนก็จะไปปรงอสุภาพในการดูการเผาศพนั่นแหละแล้วก็สมัยหนึ่งอาตมาก็เคยไปวัดอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งจริงๆก็อยู่มาหลายเดือนแล้วน ะ, อะพอดีมีมีพระตายพระาตายคือที่วัดนะั่นเขไม่มีเมนให้เผาศพลอกชาวบ้านก็ ไ, ได้มาเผาที่วัดแต่ว่าเจ้าวาดอยากจะให้ให้พระได้ดูการเผาศพจริงๆคือได้ดูเผาศพพระจริงๆก็ได้เกิด กรรมฐานเกิดขึ้นได้ดูอสุภาพจริงๆอืตอนนั้นก็จริงๆเราจะเผาในวันแรกเลยแต่พอดีญาพี่น้องมาให้รอก่อนก็รอประมาณวันที่สามก็ค่อยเผาะก็ชาวบ้านก็เอาไม้มาคนละท่อนคนละท่อนกันแล้วก็มาตั้งเป็นกองปอนขึ้นมาแล้วก็เอาศพก็วางไว้วันนั้นนั่นแหละบนกองปอนแล้วก็เผาเลยอว่าตกตอนเย็นก็เริ่มเผาเลยนะภาคส่วนใหญ่ก็ดูกันตลอดอยู่กันเด็กเด่นๆดูเผาศพกัน ก็เห็นสภาพศพที่เป็นยังไงก็ค่อยๆสลายไปสลายไปเห็นกระดูเห็นเนื้อหนังนะที่มันค่อยๆสลายไปต่างๆชัดเจนดีมากเลยนะเพราะว่ามันมันสามารถดูได้ง่ายใช่เราก็ตั้งใจที่จะให้พระดูกันนะตรงนี้ก็ออันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าดูก็ได้ปงอสุภะได้นะคนเราถึงจะร่ำรวยขนาดไหนใชหนะ่หรือว่า จะหลอจะสวยขนาดไหนนะนะหรือว่าจะมีทรัพย์สินมากขนาดไหนมันเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยนะมันก็แค่นี้เองเผานะตอนเช้าก็มาเก็บกระดูกกันนะอันนี้ก็คือนะเป็นสิ่งที่เราว่าเป็นเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุดสังเวชนะให้เกิดในจิตใจของของผู้ที่ดูได้นะํานมายอดมาสู่ตัวเราเองเราเองหน้อยก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันใช่ไหมโดนเผาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันไม่ได้ต่างกัน นะแต่ในสามเณรพุทธการนะก็มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือทั้งกลุ่มนี้ก็เข้าใจเป็นพระหรหันต์แล้วนะก็จะเข้าเฝ้าพูะเจ้าพูะเจ้าพอรู้ฉะนั้นก็บอกว่ายังไม่ให้เข้าเฝ้าเพราะรู้ว่ายังไม่ได้เป็นพระหรหันต์ให้ไปพักอยู่ข้างนอกก่อนพระนี่ก็เลยไปพักนอกวัดก็ตรงอยู่ใกล้ๆป่าช้าเนาะทันทีพอตอนเย็นก็มีมีชาวบ้านเขาก็นาศพผู้หญิงยังสดๆอยู่เลยเอามาไว้ที่ป่าช้า นะเพื่อที่จะรอเผาคราวนี้พระก็ไปดูพิจารณาผู้หญิงนะที่ยังเพิ่งตายสดๆอยู่ก็เลยเกิดการมาลาคะขึ้นมาก็เลยรู้ว่ า, อาตอนนี้เรายังไม่ไม่ได้เป็นพระหรหันตะ์เนาะพอเกิดการมาลาฆ่าขึ้นมาแล้วนะหลังนั้นก็เลยไปบําเพ็ญเพียรกันนะไปบําเพ็ญเพียรก็เลยบรรลุเป็นพระหรหันตะ์เนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าสมัยพุทธกาลพระก็นิยมที่จะไปดู ดูการเผาศพนะอเพราะว่าการดูเผาศพเนี่ยมันเหมือนกับว่าเกิดการโปรงสังเวชขึ้นมานะอันนี้ <c oughs> จึงว่าบางทีเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะร่างกายเราสวยงามร่างกายเราแข็งแรงรนะ่างกายเรายังเป็นหนุเป็นสาวนะอันเนี้ยเพราะฉนั้นมันก็เกิดการประมาทนะแต่เราไปดูการเผาศพนี่มันจะได้สังเวชขึ้นมาเกิดขึ้นมานะ คนที่ตายมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมมีทั้งคนแก่นะคนหนุ่มคนสาวก็มีนะเด็กก็ยังมีเลยใช่มนะ <c oughs> มันมีมันมีทุกเพศทุกวัยนะมันจะได้เกิดทามาสังเวชขึ้นมาเออนะคนหนุ่มคนสาวเด็กยังตายได้น ะ, ะเพราะนั้นเราก็ไม่ประมาทเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะว่าไปงานศพก็ต้องมาพิจารณาในสิ่งพวกนี้กันนะจะได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะ เพราะฉนั้นบางทีเราก็ยังส่วนบนกันมากเมื่อกี้เนะี่ยพาราหาเวปันจากขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนะ้อพาราห้าโลจะปกดโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปนะก็คือขันทั้งห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในหลางหรือกายและใจนะเป็นของหนักนะเป็นของหนักแล้วเราก็แบกเข้าไปนะแบกเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วนะอะเกิดมาแล้วมันก็มีร่างกายมันมีร่างกายขึ้นมานี่แหละร่างกายทำํำไมเป็นของหนักร่างกายมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันโตได้โดยตัวมันเองใช่ไหมเราต้องหาอาหารให้มันรับประทานนะอ่าเอาข้าวเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วถ้าคนอายุสักสิบขวบเนี่ยกินข้าวทั้งกี่กระสอบแล้วใช่ไหมแค่ติบัวกินกินข้าวทังกี่กระสอบแล้วนะอ่ากินหมูกี่ตัว่นะอ่ากินเป็ดกินไก่กี่ตัว นะหรือว่ากินผักกี่กิโลน ะ, ะกินปลาเท่าไหร่นะกินนมต้องเท่าไหร่ในชะ่ไหมกินน้าต้องเท่าไหร่ในชะ่ไหมกินขนมต้องเท่าไหร่ในชะ่ไหมมันเยอะแยะเลยแค่สิบขวบเนี่ยมันโอ้ทมากรเนี่ยมันเต็มบ้านของนี่กินมั น, ม, นมันเต็มห้องเลยน ะ, นะแค่สิบขวบยังกินเยอะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเราเราอาหารพราะนั้นไม่ไม่ลอยมาจา ก, กาอากาศนะมันก็ต้องไปทํางานหาเงินไปซื้อมาใช่ไหม มันต้องใช้ใช้เงินซื้อมันต้องเยอะนี่แหละตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพาพาลาหาเวปันจขันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนะ้อเพราะว่าเราต้องไปทำงานด้วยความเหนื่อยยากไปหาเงินมามาซื้อข้าวของของเครื่องใช้อาหารต่างๆมากินใช่มมันก็เป็นความเหนื่อยความยากนะครันนี้เมื่อเราเรายังหายไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องมาหาให้เราใช่ไพ่อแม่ก็เหนื่อยยากขึ้นมาต้องเยอะใช่ไม ก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับพ่อแม่นะหลังนั้นอพอเราทำงานได้ก็ต้องไ ป, ไปซื้อไปซื้อของกินอี ก, อกนั่นแหละก็ต้องทำงานด้วยความเหนื่อยยากใช่ไหมแล้วร่างกายเป็นอย่างไรนะร่างกายก็มีความเจ็บความป่วยใช่ไหมแล้วมันเลี้ยงดูนะมันกินอาหารบะต้องสา ม, มือใช่หมน่มันคือภาระทั้งนั้นเลยใช่ไห้พอเราเจ็บใครจะรู้สึกแล้วตัวมันหนักนะตัวมันหนักหนักหนั ก, น, กนักมากนะ หรือถ้าเราไม่รู้ตัวหนักลองเดินขึ้นเขานะอ่าขึ้นเขาเนี่ยจะรู้สึกน้ําหนักเลยโอ้ขึ้นเขามันเหนื่อยจังเลยนะอ่าเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากตอนลงเนี่ยเห็นน้ําหนักไหมอ่าถ้าไม่เห็นเราก็ชั่งกิโลนะอ่าน้ำหนักเท่าไหร่นะเห็นไหมอ่าถ้าน้ําหนักสักห้าสิบกิโลนี่เท่ากับปูนซีเมนต์หนึ่งกระสอบแล้นะปูนซีเมนต์หนึ่งกระสอบนี่หนักมากเห็นไหมห้าสิบกิโลนะหรืออ่าสมัยก่อนมันจะมีถังแก๊สนะถังแก๊สแบบอ่าแก๊สที่เข้าไปใช้ ไปไปตีกบนะนะเป็นตีกบนั่นแหละถังสีดำดำเตี้ยๆภายในมันจะบรรจุก้อนแก๊สนะพอก้อนแก๊สใส่ไปผสมน้ํามันจะมันจะกลายเป็นกลายเป็นแก๊สขึ้นมาแล้วก็จุดไฟมันจะติดนะสมัยก่อนจะใช้จะใช้แก๊สแก๊สน้ํากันนะตอนนี้ไปใช้แก๊สสองกบเนี่ยถังหนึ่งห้าติบิโลเนี่ยหนักมากนะถังหนึ่งห้าติิโลเลยเพราะเพราะร่างกายเรารับน้ําหนัก เราต้องเดินนะรับน้ำหนักต้อง50ากิโลไม่ใช่น้อ ย, น, อยนะอันนี้ขนาดเบานะบางคนนี่60 70 80จกโลดูดิมันรับน้ําหนักขนาดไหนน ะ, ะเพราะฉะนั้นพาราห่าเบปัญจกันฐา น, นี่ก็คือร่างกายมันหนักนะมันหนักเป็นเป็นพาละใช่ไหมต้องกินนะต้องเครื่องใช้ต้องใช้สอยเนี่ยมันจึงเป็นของหนักนะพอเมื่อเรารมีร่างกายแล้วนะ <c oughs> มันก็ต้องตกแต่งดูแลต่างๆให้เขาดูดีใช่ไหมให้เขาสมบูรณ์ ให้เขาแข็งแรงมันต้องอใช้การบำรุงรักษาใช้เงินใช้ทองมากมายนะอันนี้เท่าตัวเรานะเขาเรียกว่าขันห้ามันหนักแล้วนะอพอไปแต่งงานก็เพิ่มมาอีกอีกห้าขันน ะ, ะจากการแบกขันห้าก็แบกเป็นสิบขันแล้วนะมีภรรยาก็ต้องอคอยดูแลใช่ไหมเสียเงินเสียทองทํางานหนักเป็นสองเท่ า, าเลี้ยงดูภรรยาคนหนึ่งพอมีลูกอีกคนหนึ่งเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ห้าขันใช่ไหม ก็เป็นสิบห้าคันสิบห้าคันแล้วไม่มีลูกสองคนก็อีกห้าคันก็เป็นยี่สิันนะโอ้โหนี่งานหนักมอ้โหลานเลยฮะเนี่ยถ้าใครไม่พิจารณาตรงนี้นะมันก็เลยมองไม่เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วนะไอ้คันนี้มันหนักจริงๆนะมันมีภาระต้องเลี้ยงดูมากมายใช่ไหมคันนี้ขันมันก็ขันร่างกายมันยังมีอีกสี่คันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือจิตใจนะจิตใจก็เป็นเรื่องหนักใช่ไหม ลองดูนะคนเราเนี่ยมีความทุกข so ์เป็นเรื่องหนักไหมใช่เราทุกข์ก็เป็นความหนักใช่มมีความโกรธก็เป็นความหนักมีความเศร้าก็เป็นความหนักมีความเครียดก็เป็นความหนักนะมีความกลัวความหงุดหงิดความขัดเคืองใจเป็นความหนักทั้งนั้นเลยไม่พอนะมีความอยากได้ยิ่งหนักนะอยากได้นู่นอยากได้นี่นะอยากได้สิ่งนู้นยิ่งไม่ได้เราก็มีความทุกข์ใช่ อพอได้มาเป็นไงไม่กี่วันก็เบื่อแล้วน ะ, ะบางคนไปซื้อเสื้อผ้านะจริงๆแล้วมีความสุขแค่วันสองวันหรือในวันที่ใส่ใหม่ๆเท่นั้นเองพอหลังนั้นก็เริ่มเบื่อแล้วไปเจอตัวใหม่ก็อยากซื้ออีกนะนั่นแหละพอตัวเก่ายังไม่ทันไรก็เบื่อแล้วนะเจอตัวใหม่ก็อยากซื้ออีกเจอรองเท้าใหม่ก็อยากจะซื้อนะบางคนรองเท้าเยอะๆเลยนะเยอะๆเหมือนกับ เป็นร้านขายก็มีเลยนะบางคนมีตั้งสิบสิบคู่นะอกระเป๋านะกระเป๋าเจอใหม่ก็อยากจะซื้อใหม่ใช่ไหมนี่คือความอยากได้ของคนนะความอยากได้ของคนมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือภาระอภาระของเราะต้องหาเงินมาซื้อใช่ไหมถ้ารวยก็ไม่เป็นไรอถ้าไม่รวยมันเจออย่างเี้เราก็แย่นะอต้องคอยอ่าซื้อของมาบําบัดบำรุงอสนองกิเลสตัวเองใช่ไหมเกิดถ้า คนรักเราอยากได้ก็ต้องไปซื้อให้เขาอีกนะนี่ยภาระขึ้นมาแล้วน ะ, ะมีลูกเนี่ยลูกก็อยากได้นะอยากได้ของเล่น อ, อยากได้สมัยนี้เด็กอยากได้มือถือใช่ไหงแพงนะเครื่องเป็นหมื่นๆ p h o n e ก็ต้องซื้อให้ใช่ไหมทำไมซื้อให้ลูกบอกว่าโอ้พ่อแม่แย่เลยนะสู้พ่อแม่เพื่อนไม่ได้ใช่ไหมลูกก็เสียหน้านะก็เลยรังซื้อให้ลูกเนาะอันนี้มันมันจริงเลยว่านี่แหละ มันมันเป็นสิ่งที่ภาระหนักจริงๆแลยนะใช่ไหมมันถ้าเราเห็นตรงนี้มันเมื่อเราเข้าใจในความมีขันท่ามันหนักมันหนักแล้วนะมันทําอย่างไรนะตรงนี้มันต้องรู้ก่อนนะตรงนี้คือความทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่รู้เป็นความทุกข์เราก็สนองกิเลสไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นคนเราในบางทีมันอยู่กับความหนักอยู่ความทุกข์ไม่รู้น่ะไม่รู้ว่าภาระมันเป็นของหนักเราก็เลยอยู่มาไปเรื่อยๆใช่ไหม สนองกิเลสไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็อยู่กับมันนะหลังนั้นก็ตายกับมันนะตายกับมันโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นของหนักอันนี้เป็นสิ่งที่เราว่าเร า, าเสียประโยชน์ในการจะรู้เท่าทันว่าภาระาพาลาหเวปัญจคันธาคันทั้ง5เป็นของหนักนะเป็นแต่ความทุกข์นะนะเพราะฉนั้นเมื่อเรามารู้จักเออจริงๆแล้วมันมีความทุกข์ไหมตรงเนี้ยมันจึงจะกลับมาเห็นได้ว่านี่แหละมันจึงเป็นความหนัก แต่ถ้าไม่เห็นความทุกข์มันก็ไม่หนักหรอกมันก็มีความสุขไปวันๆหนึง่งใช่ไหมพอคนเรามันชอบหาความสุขอยู่แล้วมันก็ไม่กลับมาดูความทุกข์หรอกใช่ไหมแต่มันย้อนกลับมาดูโอ้ oh, ไอขันห้านี้เป็นของหนักจริงๆเนาะเราเราจะไมนะ่แบกมันนะแบกมันแบกมันอย่างไรน ะ, ะก็คือเราไปยึดมันนั่นเองนะว่าเป็นของเราใช่ไหมขันห้าเป็นของเรานะเป็นของเราโต๊ะตนเป็นของเร า, เ, ราเป็นของกูใช่ไหมอ่านี่แหละ ไอตัวหนักมันมันอยู่ตรงนี้ดีแท้จริงเป็นไปยึดไปของเราอคันห้าเป็นของเราเป็นของกูนะเมื่อเป็นของกูก็เป็นยังไงนะพอเป็นของกูปุ๊บก็อันนี้คือภรรยาสามีของเราในของกูนะอันนี้ลูกลูกเรานะอไปยึดนะที่ดินของเราบ้านของเรารถยนต์ของเราเนาะเราก็ชื่อเสียงของเราหน้าตาของเราไม่พอนะอันนี้คือชื่อเสียงหน้าตา ภรรยาของเราชื่อเสียงหน้าตาลูกของเรานะมันมีชื่อเสียงหน้าตาของลูกเราด้วยใช่ไหมตามาเป็นเป็นพวนเลยนะบางทีหมาก็เป็นของเรานะหมาก็เป็นของเราเพราะฉนั้นหมานี่เป็นถูกเพื่อนบ้านตีหัวปุ๊เราโกรธเลยโกรธทันทีตีหัวหมาลูกของเราได้ยังไงก็เลยบางทีไปทะเลาะเพื่อนบ้านนะบางทีมีปัญหากับเพื่อนบ้านก็เพราะหมาของเรานเองนะเนี่ยเพราะว่าอะไรๆก็เป็นของเราใช่ไหม มันยึดมั่นถือมั่นนะเราก็มีความทุกข์นะหนักเข้าไปอีกนะนะใครมาดา่านเะเขาด่าเราด่ากูนะด่ากนะูเขานินทาเนินทาเรานินทากูนะนะเขานะอิจฉากูนะนะเขาดูถูกกูเขาเกลียดกนะูทั้งนั้นเลยนะมันตรงนี้ ม, นมันหนักตรงนี้นะนะถ้าเรารู้ไม่ทันเนาะแตตรงนี้นะมันเป็น มันหนักเพราะว่าเราไปยึดว่าเป็นของเราเป็นของกูนั่นเองน ะ, ะตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านพุทธทาสก็เลยพูดชัดเจนนะอ้าวมันไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูน ะ, ะถ้ามีกูเมื่อไหร่นะมันก็มีตัวเรานะแต่เมื่อมันไม่ใช่กูแล้วมันก็ไม่มีตัวเราแล้วใช่ไหมมันก็ออกจากไอ้ความเป็นกูนี่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่ามันจะมอะีอยู่ช่วงหนึ่งท่านบอกว่า เราต้องเห็นให้ได้นะถ้าเราไม่เห็นมันจะยึดมั่นในตรงนี้นะ <c oughs> เป็นของเราเป็นของกูนี่แหละนะคราวนี้ตรงเนี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเราเห็นมันไหมใช่ไหมนะ <c oughs> ว่าเป็นของกูไหม่นะ <c oughs> ตัวกูมีไหมนะมันต้องสังเกตให้ได้เนาะถ้าเราสังเกตไม่ได้นะตัวเราก็โตขึ้นไปเรื่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆนะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราสังเกตไม่ได้มันจะโตขึ้นนะตัวเราก็โตขึ้นสูงขึ้นนะ แม้แต่เราบางทีไปบัติรทำแล้วนะมันก็มีโอ้เราเร า, เราดีกว่าเขานะอะเรามีสติดีกว่าเขาเรามีสมาธิดีกว่าเขาเรามีศีลดีกว่าเขานะอืหรือว่าเราอเราเรียบร้อยกว่าเขานี对对่ไหมหรือว่าเรากินอาหารแบบนี้อดีกว่าเขานะี่ไหมเขาอย่างกินเนื้อสัตว์นะเราไม่กินเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะมันมันก็มีตัวเราแฝงอยู่ทั้งนั้นใช่ไหม เพราะบางที่เราทําความดีก็จริงนะแต่ว่าเราสังเกตไม่ออกว่าเราไปติดความดีไหมใช่ไหมทำความดีมันก็ต้องต่อยใช่ไหมไม่ใช่ทําความดีเรามายึดว่าเราดีกว่าเขาแล้วเราวิเศษแล้วเขาแล้วเราปแบบทําเราดีกว่าเขาแล้วหรือเรากินเจเราก็ดีกว่าเขาแล้วเป็นต้นใช่ไหมอันนี้มันมันมันก็เลยมองไม่เห็นในตรงนี้นะมันก็เลยกลายเป็นยึดมั่นยึดมั่นในความดีความวิเศษหรือยึดในความถูกต่างๆเนาะ มันก็กลายเป็นความยึดปีกนะมันกมนก็มองหเห็นโอ้มีตัวเราอยู่นะอเพราะฉะนั้นพอเรากลับมาเห็นในตรงนี้โอ้ความดิดมั่นเป็นอย่างไรใช่ไหมอพอเราเห็นมันมันก็มันก็จะเบาลงใช่ไหมเบาลงเพราะนบางทีเราไม่รู้ก็เราก็ไปยึดมั่นอะไรเยอะแยะเลยนะพอมีตัวเราก็มีของของเรามีต่างต่างเราเยอะแยะเลยตรงนี้มันมันจริงเรียกว่าเป็นสัญญาตัวแรกใช่ไหมสัญญาณตัวแรกเนี่ยมีสิบตัวนะ เพราะตัวแรกเนี่ยผู้ใดละตัวแรกได้ตัวอื่นก็เบาลงนะเบาลงไปเรื่อยๆเพราะตัวแรกมันคือสักกายึิฐีนั่นเองนะคือความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรานี่แหละนะคราวนี้การยึดมั่นนะมันไม่ได้พึ่งมายึดมั่นตอนนี้แต่มันยึดมั่นมานานแล้วนะอมันยึดมั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเกินมาก็มีตัวเราแล้วใช่ไหมตัวเล็กอเรายังเล็กๆก็มีตัวเราตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหม ผู้ใหญ่ก็ตั้งชื่อให้โอ้ไอแดงไอแดงไอแดงกลายเป็นเราเลยนะเราก็ชื่อแดงอนะมันก็เลยกลายเป็นตัวเราเราชื่อแดงนะโตขึ้นไปปุ๊บผู้ใหญ่เรียกแดงๆงมานี่ยแดงมานี่เราก็ไปหาเขาเนี้ยมาเราก็ติดในสมมุติแล้วเออเราชื่อแดงนะไปโรงเรียนก็ชื่อสมชายนะอครูก็เรียกอสมชายมาโรงเรียนสายนะ เป็นอย่างไรสมชายขี้เกียจจังเลยนะเราก็ไปติดในตัวนี้แล้วใช่ไหมมันเป็นความยึดมั่นมาตลอดแต่เราไม่รู้ตัวเนาะทั้งทั้งนี้ก่อนมาเกิดเราก็ไม่ไม่ได้ชื่อแดงไม่ได้ชื่อตมชายเนา ะ, ะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรตั้งอะต้นแล้วล่ะใช่ไหมมันก็เป็นแค่บางอย่างที่มารวมกันโดยธรรมชาติใช่ไหมรูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรวมกันโดยธรรมชาติเท่านั้นเองใช่ไหมกายและใจนะมันมีกายและใจอยู่ แต่วันไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นแล้วนะไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่เราก็ไปยึดมันว่าเป็นของเรานะเป็นของเราเราก็ยึดมันมาตลอดนะแต่พอเราเข้าใจแล้วโอ้มันก็ไม่ยังเราตั้งแต่ต้นเราแค่อาศัยอาศัยมันเท่านั้นเองนะเราแต่เราไปเข้าใจว่าเป็นเราใช่ไหมเพราะตรงนี้ก็คือมันมีอยู่นะกายใจมีอยู่นะมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่เราใช่ไหมไม่ใช่เร า, ม, เรามันมีอยู่แต่มันก็ไม่ใช่เรา พอเราเห็นว่ามันต้องค่อยๆเข้าใจใช่ไมไม่อยู่มันมันเป็นความเข้าใจระดับความคิดนะเป็นความเข้าใจระดับความคิดแต่ความเข้าใจระดับปัญญา astrology. มันจึงต่างกันเนาะเป็นเป็นความคิดเราก็คิดได้เออมันไม่ของเรานะอ่านะไม่เป็นขันถ้าอันนี้เป็นแค่ความคิดนะใช่แต่เราต้องเข้าใจโดยระดับของปัญญานะหรือโดยระดับจิตเนาะตรงนี้นะมันมันจึงสำคัญนี <N g ly> ่เห็นไหมใช่ไระดับจิตนี่สคัญมากใช่ไม เราเห็นเขาไหมว่ามันไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าเห็นไม่ใช่เรามันก็วางมันก็วางได้นะจิตมันสําคัญมันต้องเกิดปัญญาในการเห็นโดยโดยที่ว่าจิตมันต้องเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นด้วยแค่ความคิดด้วยสัญญาด้วยความจํามันไม่เกิดการปล่อยกันวางใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงกลับมาดูดูอะไรดูความเป็นจริงในไัรธรรมสตรธรรมนี้สําคัญมากใช่ไหม กลับมาดูความจริงว่าอะไรที่พุทธเจ้าบอกเล้วว่ารูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เมื่อกี้เราสวนเลยไหมสัพเพสังขารานิจาติยะธาปัญญายปัสสติสัพเพสังขาลาทุกขาติยะธาปัญญายปัสสติสัพเพธรมานตาติยะธาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข ทำทั้งปวงเป็นนตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตระหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพันิพาณอันเป็นธรรมหมดจดเนาะก็ะคือกลับมาเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวนัสัญญาสังขารวิญญาณก็กลับมาเห็นความไม่เที่ยงของกายและใจนะเขามีความไม่เที่ยงจริงไหมนะมันคือสัอธรรมอยู่แล้วนะมันต้องไม่เที่ยงแน่นอนใช่ไหมในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นความเที่ยงแท้แน่นอนเนาะ ไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าสิ่งที่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองเนาะกลับมาเห็นเขาไหมเขาแสดงพระไตรลักษ์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะร่างกายจิตใจแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วเห็นไหมตรงนี้ต้องกลับมาเห็นเนาะเขาแสดงความทุกข์อยู่แล้วนะคือการที่มันคงในภาวะเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นไหมนะตรงนี้มันแสดงความทุกข์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะที่บังคับบัญชาก็ ที่มันอยู่ในทวารเดินไม่ได้นะมันแสดงตลอดเวลาอยู่แล้วกลับมาเห็นไหมกายและใจมันแสดงหักาตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนตรงนี้เห็นไหมที่มามันก็ต้องกลับมาเห็นเนาะเขาแสดงตลอดเวลาอยู่แล้วในสมอย่างก็คือสามัญลักษณะสามัญลักษณะก็คือความเป็นสามัญก็คือสามัญก็คือความจริงนั่นเองนะเป็นสามัญนะสามัญก็คือ สัจธรรมคือความจริงที่กายและใจมันแสดงว่าตายรักตลอดเวลาแล้วว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ตรงเนี้ยมันจึงต้องกลับมาเห็นในตรงนี้เนาะพอกลับมาเห็นแล้วโอ้ความจริงมันแสดงแล้วว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะอ่าจิตนึกสรุปได้เองนะเห็นไหมบ่อยบังคับบัญชายไม่ได้มันจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเพราะนั้นเมื่อบังคับบัญชายไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนาะ แต่ถ้าสิ่งไรที่เราไม่เห็นเราก็คือเราก็เข้าใจว่าเราบังคับบัญชาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จึงเป็นตัวตนของเรามันก็มีความยึดมั่นถือมั่นไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมพอมื่จึงกลับมามีปัญญาในการมองเห็นในตรงนี้นะบ่อยๆนะบ่อยๆอตรงนี้มันเป็นการที่เรียกว่ามันจะกลับมาจากความเข้าใจระลับของสัญญาหรือแค่ความจําหรือแค่สมองกลับมาที่จิตนะให้จิตก็เห็นความจริงตรงนี้บ่อย เมื่อจิตเห็นความจริงไอบ่อยแล้วจิตก็จะเกิดความเข้าใจนะก็จะเกิดการที่เรียกว่าเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการคลายกำหนัดนะเกิดการปล่อยการวางนะในขันห้านั่นเองนะเขาเห็นความจริงแล้วเขก็เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดในขันห้านี่แหละตรงนี้ก็เป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นอย่างที่มังคีได้บอกว่านี่นะมันก็คือเข้าใจในการละสักายุทธิก็คือละความเป็นตัวตนนั่นเองนะธรรบุได้เข้าลงในมันละสักยุทิ์ญติถิได้ เพราะนั้นสังโยชน์ต่อๆมามันก็ไม่ยากแล้วนะมันก็ละไม่ยากหรอกเพราะมันมันตัวแรกมันยากเท่านั้นเองมันมันก็เป็นโดมนโน่เนี่ยนะพอตัวแรกล้มตัวอื่นก็ล้มตามไปหมดเลยนะมันก็ล้มไปหมดนะเพราะฉะนั้นกิเลสต่างๆมันไม่มีที่อาศัยที่มาอาศัยเข้ามันอาศัยความเป็นกูนี่แหละของกูของกูเพาะั้นกิเลสติดไปทงกูนะกูละกูโลภกูกวดกูหลงแต่เมื่ไม่มีกูแล้วนะมันก็ไม่มีที่อาศัยมันก็มันก็หมดไปนะตรงนี้มันก็เป็น เป็นหลักธรรมที่เป็นสีลธรรมเนาะเพราะในตรงนี้ก็เป็นหนทางที่ว่าเราก็สามารถเดินสู่ความพ้นทุกข์ได้สู่ความพ้นทุกข์ได้นะเป็นคนทางที่เรียกว่าเมื่อเราเดินตรงทางแล้วมันก็ไม่ไม่ยากไม่ไกลนะเป็นคนทางที่เรียกว่าพอจะเดินได้เนาะเพราะในไทยสุดนี้ก็ขอรัตนาบาณมีคุณพระไตรน้อมนำลูกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันุท่านเทิน